ขอโมทนากับพวกเราในตั้งใจที่จะฟังพระธรรมพระศาสดาปรารถนาจะนิพพานไหมพระบรมศาสาดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรารถนาจากักนิพพานพระศาสดาปรารถนาจาักนิพพานแบบประเภทสําได้นิพพานประเภทสัมมาสามาัมปชัญญย์เยอะไหมพระปเจกับพระเจ้ทเจาท่านก็ปรารถนานิพพาน ภาษาวกทั้งหลายก็ปรารถนานิพพานคือความพ้นทุกข์ถามว่าคนที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องบําเพ็ญบารมีใช่หรือไม่ใช่ในบารมีทั้งหลายก็มีทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเวขาทีนี้เมื่อทราบมีควรสร้างทานบารมีไหมผู้ต้องการก็มี ถ้าไม่บริจาคแล้วที่เราประกาศไว้ว่าเราจะพ้นทุกข์มันเป็นการหลอกลวงหรือไมเป็นการหลอกลวงอย่างใหญ่หลวงนะฉะนั้นเมื่อทรัพย์มีผู้ต้องการมีการสละการบริจาจคา จ, จึงเป็นความจําเป็นไหมจึงเป็นความจําเป็นถ้าไม่ทําเป็นการหลอกลวงเหมือนเหมือนพระบรมศาสดาสั ม, มาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตั้งอัธยาศาัยจักสร้างบารมี หนึ่งในบารมีนั้นคือทานบารมีเป็นเบื้องแรกเพราะทําได้ง่ายกว่าศีลบารมีสะดวกกว่าศีละบารมีแต่ทานบารมีที่พระองค์ทรงทำนันน้นเพื่อจะเกื้อกูลต่อศีละบารมีศีลเพื่อจะเกื้อกูลเนกขมาะเนกขมารเพื่อจะเกื้อกูลลายปัญญาแต่ไม่ว่าจากบารมีในข้อไหนจะต้องมีปัญญามาเกี่ยวข้องหมดไหมให้ทานต้องมีปัญญาไหม ต้องมีศรัทธาต้องมีวิรยิยะต้องมีสติต้องมีสมาธิและต้องมีปัญญาเห็นไฉะนั้นเมื่อทราบมียาจกก็มีผู้ต้องการก็มีการไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงของเราอย่างใหญ่หลวงเราพึงสละอวัยวะและชีวิตของตนแก่ผู้ต้องการทั้งหลายได้อย่างไรท่านกังพิจารณาเออเนี่ยเราจะสละอวัยวะเป็นทานอย่างไร ทำอย่างไรเนาเราจะให้ตาเป็นทานได้อย่างไม่เสียดายทำอย่างไรเนาะเราจะควักหัวใจให้เป็นทานได้อย่างไม่เสียดายทำอย่างไรเนาะเราจะตัดศีรษะให้เป็นทานได้อย่างไม่เสียดายทำอย่างไรเนอเราจะให้เลือดจากสรีละของเราไหลออกเป็นทานได้อย่างไม่เสียดายท่านคิดท่านอย่างเงี้ยวิธีคิดของโาสัตท่านคิดอย่างเงี้ยนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งควรทําจิต ให้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์สิ่งตอบแทนว่าเชื่อประโยชน์นี้ตามติดทายกผู้ไม่ม่งหวังเหมือนเมลงติดตามในพานธนูไปผู้ไม่สนใจคิดอย่างนี้อาตพิจาณาอย่างนี้นะว่าการให้ผลของการให้มีหรือไม่มีมีไหมเราเชื่อมั่นไหมเมื่อให้ผลของการให้ย่อมมีใช่ไห นายพานเข้าป่าไปหาเนื้อได้เนื้อได้สัตว์ป่ามาแล้วก็แบกหามเนื้อสัตว์ป่ากลิ่นของเนื้อเลือดของเนื้อทั้งหลายที่ตายแล้วก็ติดเสื้อผ้าติดกลิ่นตัวของนายพานไหมทีนี้เวลาเดินไปแล้ว เดินไปไหนเนี่ยถามว่าในพานค่าเนื้อเพื่อไปขายที่ตลาดสิ่งที่ในพานต้องการคืออะไรต้องการรับใช่ไหมต้องการทรั์แต่มแมลงวันที่ตามกลิ่นเนื้อที่ติดตัวในพานในพานต้องการไหมแต่มันบินตามไหม บินตามเยอะไหมกลิ่นเยอะมากมันก็ตามเยอะทั้งเหลือบทั้งแมลงวันเนี่ยตามเยอะมากแม้ฉันใดบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีทั้งหลายเนี่ยให้ทานนีบารมีเนี่ยเขาหวังอะไรเขาหวังอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือสัทธาวเป็นต้นใช่ไหมหรือสติปทานสมปารทานอิทิบาทอินทรียพระพุชองมรรคแปด พพี่บักยธรรมปรารถนาสูงสุดคือปรารถนาพระนิพพานแต่เมื่อให้แล้วเนี่ยพวกอามิต h ทั้งหลายเงินทองทั้งหลายทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันวิ่งตามคนให้ทานไหมทุกภพไหมทุกภพตามอย่างมากมายแต่เหมือนอะไรวิ่งตามเหมือนมแมลงวันฉะนั้นคนที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์เขาจะสนใจมแมลงวันไหม ไม่สนใจเลยนั้นเขาไม่ได้สนใจทซับเนอะเพราะโพธิสัตว์สังเกต ด, ดูที่ท่านคลายรัพย์ง่ายหรือไม่ง่ายเหมือนเสเลดอยู่ไหนๆอยู่เหมือนปลายลิ้นท่านพร้อมที่จะสละทิ้งอ่ะคลายทิ้งถมทิ้งได้ทุกเมื่อเพราะท่านเห็นเป็นเสเลดเพราะไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการท่านสร้างทานบลามีเพื่อเกื้อหนุนอะไรเพื่อเกื้อหนุนอริยทรัพปะว่าวคือพระนิพพาน นั่นมองให้เห็นอย่างนี้เราจะเห็นอ๋อเห็นไหมการให้ของเราเราไม่ใช่หวังไม่ใช่ให้น้ําหวังน้ําให้ข้าวหวังข้าวให้บ้านแล้วหวังบ้านไม่ใช่เลยท่านหวังอะไรหวังอริยทรัพย์หวังพระนิพพานหวังการพ้นทุกผู้ขอเป็นที่รักนะพึงให้เกิดสมณัตว่าคนที่รักของเราขอกับเราเป็นผู้ ถ้าผู้ขอเป็นคนเฉยๆก็ให้เกิดสมนติว่ายาบุคคลที่ขอเราเนี่ยจะกลายเป็นมมตดด้วยการบริจาคแน่แท้แต่ถ้าผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักของผู้ขอทั้งหลายถามว่าถ้าคนที่เราคนที่เราจะให้เป็นศัตรูกับเราจะทำใจยังไงเราจะทำใจยังไงดีถ้าคนนี้เราไม่ชอบเห็นหน้าเราก็เกลียดเลยเนี่ยนะ เคยไหมที่บอกว่าเห็นหน้าเราก็เกลียดใช่ไหมแล้วเกลียดหน้าหรือเกลียดทั้งตัวเกลียดตรงไหนบอกไหมเกลียดหน้าคนนี้จังใช่เราพูดงั้นจะมแต่จริงๆคืออะไรนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่า ถ้าคนที่เราเกลียดเราเราเกลียดเขาเนี่ ย, ยควรให้หรือไม่ควร <c oughs> เคยทำหรือยังที่พูดเนี่ย <c oughs> กลับไปลองไปฝึกเนาะ ฝ, ฝึกว่าศัตรูนี้เมื่อขอกับเราก็จะนะยศัตรูนี้เมื่อเมื่อขอกับเราถึงความเป็นผู้มีเวรนะ ตอนนี้เขาเป็นผู้มีเวรขัดเคืองกับเราแต่เมื่อเรามีเอาของไปให้เมื่อเราสละของที่เรารักของที่เราปรารถนาเนี่ยนะเราน้อมสละให้ศัตรูนั้นจะกลายเป็นมิตรฉะนั้นศัตรูก็กลายเป็นมิตรเป็นที่รักนะด้วยการบริจาคนี้เป็นแน่แท้ ยังกรุณายังเมตตาเป็นเบื้องหน้าให้ปรากฏแล้วแม้บุคคลผู้เป็นกลางๆงบุคคลผู้เป็นเวรกันเหมือนบุคคลที่เป็นที่รักอย่างนั้นเรารักใครอย่างไรคนเฉยๆเราก็ทำใจให้เปียนพี่รักอย่างนั้นเราเกลียดใครอย่างไรก็เปลี่ยนจากเกลียดให้เปลี่ยนได้อารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนได้นะมันอยู่ที่อยู่ที่จิตที่คิดเราจะคิดเมตตาใครก็ได้จะคิดกรุณาใครก็ได้ใช่ไหม มันอยู่ที่การให้ข้อมูลให้ปัจจัยให้วิธีคิดในที่สุดจริงๆก็จะเปลี่ยนจิตแล้วได้เนี่ยก็หากว่าโลภะธรรมที่ไตยนะอันมีไตยธรรมเป็นวิสัยพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความโลภเพราะบุคคลนั้นอบรมมาอย่างช้านานนะเป็นผู้มีปฏิญญานะอันผู้ปฏิญญาเป็นพระโพธิสัตว์พึงสำเหนียกว่าสัตวบุรุษเนี่ยท่านบำเพ็ญอภิมิหารเพื่อตัทสรอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่หรือ ได้สละกายนี้เพื่อเป็นอุปการะแก่สรรพสัตว์เนาะถ้าพิจารณาอย่างนี้บอกว่าคนที่มีความโลภติดในวัตถุสิ่งของต่างๆเหล่านี้เพราะว่าอัจฉริยะใที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลนะที่ไม่น้อมที่จะให้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็คิดบอกว่าความติดข้องเป็นไปในวัตถุในภายนอก ของท่านเป็นเหมือนเช่นกับการอาบน้ำช้างถามว่าช้างชอบอาบน้ำหรือไม่ชอบโอ้โหวันนึงอาบหลายเที่ยวช้างนี่นะถ้าใครเคยเลี้ยงช้างจะรู้ช้างนี่ชอบที่สุดคือชอบอาบน้ำใช่ไหมใช่นั่นแหละคนที่มีใจหมกมุ่นยึดติดกับวัตถุสิ่งของภายนอกบางคนก็ติดในรัพ์ติดในเสื้อผ้า ติดในแก้วในแหวนในเพชรนินจินดาในบุตรในภรรยาต่างๆเาเนี่ยนะอันนั้นก็เหมือนกระอาบน้ำให้ช้างต้องอาบบ่อยๆก็แปลวันนี้ต้องคิดถึงเขาบ่อยๆแล้วก็ต้องท่องไว้บ่อยๆออ๋อนี่ลูกเราลูกเราท่องทุกวันแม่เราแม่เราลูกเราของของเราต้องท่องไหมเหมือนเคที่ต้องท่องอย่างนี้เพราะเหมือนอะไรเหมือนช้าง ช้างต้องอาบน้ําบ่อยๆไหมเพราะเขาติดเลยติดความเย็นไอ้ น, นี้เหมือนกันเขาติดอะไรเขาติดความตนีความห่วงถ้ามีใครมาขอลูกเขาก็ให้ไหมไม่ให้ไม่ให้ใหเอาทําไมทําไมเขายังมีการแต่งงานกันได้ทั้งนั้นบางคนก็มีลูกก็ห่วงก็เพราะว่าเขาให้ก็ให้กับบคุคคลที่เขารัก ใช่ไหมเขาเลยอนุญาตไง ส, สังเกตได้ยังคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่ อ, อคนคนที่จะมาเนี่ยเขารักไหมถ้าเขารักเขาก็ยกไว้ให้ใช่ไหมนี่ไงจริงๆแม่ให้ก็ยังมีข้อแม้ไหมมีข้อแม้อย่างนี้เรียกบริจาคไหมไม่เรียกบริจาคมีโยมบางคนนะเขาบอกว่าคล้ายๆว่า ให้ลูกไปแต่งงานแล้วแล้วก็ไปตำหนิว่าเนี้ยเนี่ยเห็นว่ามีนิสัยดีนะถึงยกให้ว่ายกแต่ยกให้ไม่จริงเลยถ้ายกให้จริงๆนะ่ะถ้าเขาถือเอาไปเบียดเสด็จเนี่ยเขาไปทุบตีเดี๋ยวนั้นยอมไหมจะสดงไม่ให้จริงแต่พระบริสัทธายอมไห ม, ไมเห็นไหมพระบริสัทธ์นะ่ยตอนที่ชูชกเนี่ยเอาลูกไป เขาทบต่อหน้าไหมทบต่อหน้าแล้วเออเอาลูกข้ามาไหมไม่เลยให้จริงๆมั้ยมให้จริงๆบางองนะให้ลูกเป็นทานนะมารักแปลงกายมานะยักษ์แปลงกายเป็นมนุษย์มามาขอลูกให้ลูกนะพอให้ประพบหักคอลูกเลือดกระเด็นติดเลยถ้าอย่างเราซดั้ย เห็นไหมนี่ไงนี่ไงใจของพระโพิษัตว์เป็นแบบนี้ถ้าต้องการจะเป็นผู้เจ้าเนี่ยต้องกล้าแบบนี้แสดงว่าท่านให้ขาดไหมท่านคิดยังไงท่านนึงคิดอย่างนั้นได้ท่านบอกว่าท่านทำเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาต้นไม้ที่เป็นยาผู้ต้องการยาเขาเอารากไป คนที่ต้องการสเก็ดก็เสเก็ดไปคนต้องการเปลือกก็ เ, เปลือกไปคนต้องการลำต้นก็าลาต้นไปคาคบแก่นกิ่งใบดอกเขานาไปไมเขาก็นำไปคนที่ต้องการผลก็นำผลไปต้นไม้นั้นไม่เรียกร้องด้วยความวิตกว่าคนพวกนี้เอาเราไปแม้ชั้นใดเห็นไหมพระโพิษัต ท, ทั้งๆจิตตั้งจิตอย่างนั้นแหละของภายนอกไม่ต้องพูดถึงเอาของภายในอ่ะ ถ้าคนต้องการตาก็จงควักตาเราไปคนต้องการหูก็จงตัดหูเราไปคนต้องการจมูกก็ตัดจมูกเราไปคนต้องการเนื้อก็จงแย่เนื้อในสรีละเราไปคนต้องการเลือดก็จงดูดเอาเลือดเราไปคนต้องการศีรษะก็ตัดศีรษะงเราไปเราจะทำตัวเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาจะไม่ลอกเรียกร้อง เนี่ยประโยคถึงมาตามบอกว่าเราให้เนื้อเป็นทานจนแผ่นดินพ่ายแพ้เราให้ดวงตาเป็นทานแม้ดวงดาวบนท้องฟ้าก็พ่ายแพ้เราให้เลือดเป็นทานแม้มหาสมุทรทั้งสี่ก็พ่ายแพ้เราตัดศีรษะให้เป็นทานแม้ขุนเขาสินเนรุก็พ่ายแพ้ จึงมีเป็นประโยคที่พระโพธิสัตว์ท่านอยู่ในอัธยาศาัยของท่านจนถึงวันการตัดสรุนนี่แหละคือพระเจ้าถามว่าบุคคลที่มีใจขนาดนี้มีไหมในโลกมีท่านเดียวมีองค์เดียวในจักรวาลทั้งสิ้นที่จะคิดได้อย่างนี้อย่างเราแค่คิดก็กลัวั้มเนี่ยการให้ทานอย่างนี้ กลัวเอากลัวไม่กลัวการให้ขนาดนี้เรากล้าเรากล้าไปอยู่ใกล้ๆท่านไหมถ้าไปอยู่ใกล้ๆท่านท่านจะเอาเราให้เป็นฐานแกเสือได้แต่ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ใจร้ายกับเราเนะท่านคิดยังไงอ่ะวันนี้คนที่จะเดินร่วมกระบวนการกับท่านเนี่ยท่านก็วางแผนนะ ท่านไม่ได้ให้แบบไม่มีปัญญานำหน้าท่านมีปัญญานำหน้าและท่านก็บอกว่าวันนี้เราต้องยอมสละทุกอย่างเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณแต่เมื่อได้สัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่นน่ะเราและเธอทั้งหลายจะพ้นจากวัตทุกแล้วเราจะร่วมกันขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากชาติทุกข์ชาราทุกข์พยาททุกข์มรณะทุกข์ พ้นจากความโศกความล่ํายลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจและก็ความขับแค้นใจถามว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นคุณของพระาศาสดานตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าเวราณอบน้อมคุณของพระาศาสดาเนี่ยเวลาสาธยายคุณของพระาศาสดาจึงสาธยายอย่างไม่จบไม่สิน้นใช่ไที่พูดถึงบอกว่าพระาศาสดาจึงเป็นที่รักไงที่บอกว่า พิโยเดวามนุสานังพิโยบรัมมานามุตโมพิโยนาคสุปันนานังปิยินดาริยังนามามิหังโสกาวิราตจิตโตโยโสภนาโมสะเดวเกโสกปเตปโมทันโต โสภวันังนา ม, ามิหังภชิตาเยนะสะดเมพภะคาเ ป, ปนาตาทินาพยัสเตปปสาเซนโตพยาสันตังนามามิหังบอกว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานมีนาคและคุดเป็นอาทิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระบรมศาสดาพระผู้ภพากเจ้าผู้มีอินทรีย์พระองค์นั้นพระพุทธเจ้ามีจิตคลายแล้วจากความโศกความลำลํายลำพันเป็นผู้งดงามในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงยังสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกให้หายกลับจากความเศร้าโศก แล้วบันเทิงอยู่ในความหลุดพ้นพระสัตธรรมทั้งหลายอันพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าผู้มีบาปอันหั ก, กลานได้แล้วมีพระหทัทถยมั่นคงเต็มที่ทรงแจกแล้วพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภยัยหายจากความกลัวแล้วทรงล้าเลิงแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ระงับพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว